วันเวลาที่ลูกน่ารักก็มีความสุขเ<อ>วลาที่ลูกไม่น่ารักก็จะมีโทสะกับโมอะมาน<อ>ั่นแหละตัวอย่างนะมีความปรุงแต่งเยอะอบางทีเป็นสอ ง, สองนาทีบางสานาทีเป็นชั่วโมงช่มโมงเป็นวันวก็มี<อ>แล้วก็แบบนี้ยังจะเรียกว่าเป็นการตามรู้ตามดูอยู่หรือเปล่าใช่สิใช่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 บางทีก็ลำแขวนใเดี๋ยวไปคิดถึงบ้านเกิดเป็นห่วงบ้านเนี่ยรู้ว่าเป็นห่วงอีกแล้วนะฝึกอย่างเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ว่าใจจะไปคิดเรื่องอะไรนะรู้ทันใจไปเรืยให้การบ้านเพิ่มแล้วนะที่ <c oughs> <ขอ S 2> ให้ <ขอ S 2> ดูลูกเนะี่ยเป็นตัวอย่างนะนพอดูดูลูกพอคิดถึงลูกแล้วจิตเป็นยังไงเรารู้ท <c oughs> ันเนี่ยต่อไ ป, <c oughs> ไปคิดถึงเรื่องอื่นจิตเป็นไงเราคอยรู้บ้างนะอันนี้ใช้ได้ไใช่มอาจยใช้ได้สิขอบคุณครับ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 ใครอยากมาอยู่วัดจองคิวคิดให้ดีนะหัวกโกรนไม่รู้นะอยู่วัดหลวงพ่อแล้วมีโอกาสหัวกโกรนนะคือภาวนาเข้าใจธรรมะแล้วอยากบวชบางทีเรียกชื่อเลยนะรักเราไม่ยอมตื่นแนะล้วเรียกปลุกเลยกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะเพิ่งมาครั้งแรกคะ่ะมาจากอุบลราชธานีคะ่ะ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 ดัง <C å> นั้นใจของโยมเนี่ยมันจะนิ่งๆซึมๆเงียบๆอยู่อย่างเงี้ยมันนิ่งมากไป <C å> ขนาดเนี้ยจิตมันติดสมถะอยู่ดูออกไหม <C å> มันนิ่งมันนิ่งจะไปกดมันนะปล่อยเนี่ย <C å> ไปออกแรงกดมันแล้ว <C å> ต้องปล่อยให้หมดนะเออใกล้จะหลุดละ <C å> แอบไปคิดแล้วทราบไหมใช่ค่ะเนี่ยให้รู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดก็รู้ไหลไปคิดก็รู้นะ <C å S 1> ให้เขาไหลไปคิดไม่ห้ามเนี่ยเริ่มไปกดแล้ว